นั้นเป็นเพียงอุบายเท่านั้นครับดังที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าใ น, ในชั่วโมงต้นว่าผู้เจ้าเข้าถึงอัพญากฤษอภิญากะตกธรรมคือธรรมะซึ่งนอกเหนือภาษานอกเหนือการชีบช้บ่งชี้บ่งผู้รู้สังกฤษใช้ nomination น, น, น, นะครับการลองเรียกชื่อเีย nomination แต่ธรรมะจริงมันอยู่นอกนั้นครับ nomination น, น, นอกขอบเขตของความคิดนึกถ้าเราปฏิบัติด้วยความคิดนึก ก็ชื่อว <ITA> ่าเราอุดมกติในพุทธศาสนามาปฏิบัติซึ่งมัได้รับผลระดับหนึ่งครับแต่นานเข้ามันพิสูจน์ความล้มเหลวมาโดยโดยมีช่วงเงินจํากัดขึ้นมาก็ทีเนี่ยถามยังไงต้นนะคะถ้าอย่งนั้นไอ้คาว่าสติปัฏฐานสี่นี่มเราหนังสือเล่มไหนนะอย่าบวกกลัวว่าอะไรนม่มีนะคะคืออยากได้แค่คําจํากัดความมาดูหาว่ามันตอต่อกันยังไงเพราะว่า เรื่องศัพท์เรื่องอะไรค่อนข้างเป็นปัญหาโดยเฉพาะถ้าอิงบาลีด้วยเนื่องจากไม่รู้ไม่รู้บาลีก็จะไม่ค่อยเข้าใจเวลาคนพูดธรรมะเป็นคำยากๆอ่ะส ค, ครามฮ<ะ>นี่เป็นข่าวดีมากกับพี่โดยเฉพาะช่วงปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยมีคนี่ตกเรื่องวิกิตการศรัทธากันบ้างนะแต่ผมรับรายงานอี ก, อกทางด้านหนึ่งผมค่อนข้างพอใจ พระภิกษุที่เป็นจ้าวาดบอกว่าหลายวัดมีญาติโยมเข้าวัดเพิ่มขึ้นกใกล้ถึงวาระแล้วที่อุบาสกเขาจะปกป้องศ า, ศาสนาของเขาแล้วล่ะนี่เป็นข่าวดีทีเดียวครับแต่ว่านั่นเองเราต้องเริ่มต้นในการศึกษาครับทางด้านปริยัตปฏิบัติเราจะคิดว่าเราไม่ต้องรู้บาลีเราไม่ต้องรู้ไตรวิฎกไม่ได้อีกแล้วครับเพราะเราไม่รู้นั่นเองทีเกิดเรื่องหลายๆขึ้น เราต้องสอบถามแล้วครับเราชอบพอพระรูปใดถามว่าสติคืออะไรขันห้าคืออะไรถึงเวลาแล้วที่ต้องต้องรุกไปข้างหน้าครับเพื่อให้ศาสธนธรรมฟื้นตัวขึ้นมาอีกคนหนึ่งการที่พระภิกษุรุ่นใหม่ออกมาพูดนะครับบอกว่าสับแสงต่างไม่สําคัญนั้นเท่ากับปฏิเสธโครงสร้างหลักของพุทธศาสนานะครับเพราะบาลีเป็นสายศักดิ์สิทธิ์และที่เรียกว่าบาลีนั้นก็คือคําจากคํว่าบาละนะครับ เราได้ยินคำว่าโคบาล น, นี่ก็คือผู้รักษาโคบาลีคือสิ่งที่รักษาพระพุทธวัจนเะอาไว้สวสัสดงเวทนา<อ>ผมยกตัวอย่างนะไอนี้พูดเพื่อให้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้นะครับซึ่งถ้าเราอยากจะปกป้องพุทศาสนาเราต้องเรียนคนบราถึงบวชจะต้องเรียนเลยเรียกขั่วบวชเรียนครับบวชได้ไม่เรียนก็เปลืองเข้าสุขแทบไม่มีประโยชน์เลยนะครบปริปริสังเวทนานะครับ รู้สึกตัวทั่วพร้อมเลแต่ละคําำจะมีข <im> ้อกํากับภาษาบาลีเหล่านั้นไม่ได้โผล่ขึ้นลอยๆครับก็โผล่ขึ้นก็จากการสังเกตสํารวจตัวสภาวะแล้วก็เรียกชื่อร้องเรียกชื่อมาอย่างชาญฉลาดเช่นคําาทุกข์กับอีกคาเนี่ครับแปลว่าทนยากแปลว่าทนลําบากเมื่อเรามีทุกข์เราภาษาังกฤษอันเบรเบิลครับเดินไปไหนก็รู้สึกยุ่งยากก็มันทุกข์ใจนั่นเองนะครับ ศัพท์ล่านี้สําคัญมากนะครับในรุปตีของพุทธนั้นเผมอยากจะชี้เห็นความสําคัญมากๆครับว่าถ้าชาวพุทธประมาทสเพร่าคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องเรียนของปล่อยภาระของพระสื่อศาสนาไม่ใช้าไม่นานพระจะพาเราลก้าพงครับผมไม่ใช่โจมตีพระนะเพราะเพราะกาพุทธบริษัทนั้นคือการร่วมรับผิด ช, ชอบด้วยกันทั้งสี่บริษัทครับ บางทีเราเกณฑ์เรื่องรายล้าเกณฑ์ในกระทรวงสารับผิดชอบลืมไม่ไเราด้วยครับที่รับผิดชอบนั้นเนี่ยครั้งอดีตคราว่ามีส่วนรับผิดชอบมากครับถึงขนาดก็ตักเตือนพระได้สอนพระสอนเนนได้วิสาขามหาวิจารณ์นะครับช่วยพระหลายรูปได้ดีเธอสอนพระภิกษุด้วยครับแล้วเป็นสาเหตุของพระวินัยเป็นจำนวนมากรายละเรียนเหล่านี้ต้องเราต้องตั้งใจปรารถนาที่จะรู้ก่อนครับ อยากจะเรียนเพราะเรารักใครเราอยากรู้ภาษาคนนั้นเข้าใจไหมฮะสมมติเรารักพระเจ้าหนึ่งผมมีความรักต่อพระศาสดาสําคัญมากมีความรักพระเจ้าอย่างล้นเหลือเราก็อยากรู้ภาษาท่านและเราจะเงี่ยหูฟังแล้วรู้สึกภาษางท่านเนี่ยรอร่อยอร่อยมี่พูดภาษาชาวบ้านนฮะผมเป็นอย่างนั้นครับเมื่อรักพระเจ้ามากๆแล้วอยากรู้ทุกประโยคที่ท่านพูดนอกเหนือจากภาษาแล้วความลุ่มลึกของมันก็ต้องเรียน อันนี้พูดออกนอกเรื่องไปเลยนะครับแต่เป็นสิ่งที่ดีครับขยันที่จะถามผมในชั่วโมงคงตอบให้ไม่ได้นะครับเรื่องสายพระรูปใดก็ถามรุกท่านบ้างครับนอกเหนือกาได้ความรู้และช่วยท่านได้ได้ปรับตัวเองด้วยไม่งั้นเดี๋ยวโยมลำหน้าไปก่อนนะครับกครับคือกที่เราานปานี้คือการต้องอดชีิครับเอาสมมาว่าตา ก็ว่าไปอย่างนั้นเองนะครับแต่ว่าความหมายก็มีอยู่ทีเดียวครับชีวิตมีหลายมิติมากครับแล้วก็ส่วนมิติที่ลุ่มลึกจริงๆนี่ก็มีอยู่ผมชอบที่ยกตัวอย่างเสมอครับให้สํารวจไปสู่ชีวิตซึ่งไม่มีคอนเซ็ปต์เช่นเวลาเรานอนหลับสนิทโดยไม่มีความฝันตอนนั้นชีวิตเราแปลกประหลาดมากครับเพราะว่าเราไม่ได้ตาย แต่ว่ามีบางสิ่งตื่นอยู่แต่สิ่งนั้นไม่ดีไม่ชั่วไม่มีระยะทางไม่มีการเวลาเพราะว่าเช่นนั้นประหลาดอย่างนี้ลึกแรงเขาอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่ลึกนั้นก็หาที่แบ่งแยกจากสภาพชีวิตวันต่อวันซึ่งเราถือว่าตื่นไม่เช่นเดียวในสระน้ําสระแข่งนะครับน้ำลึกกับน้ําตื้นเป็นน้ําเดียวเท่านั้นเองแต่ที่ลึกตีตื่นหนึ่งสระเป็นเรื่องตระเพราะนั้นไอ้ตัว ชีวิตเมื่อเราท่องสารวจผมเพียงแต่หมายว่าให้เราสํารวจอิสระครับโดยไม่ปรารถนาอะไรแต่ถ้าพูดเราไม่ให้วางแผนอะไรเลยดูจะจะเกินไปหรือเปล่าครับผมไม่ได้หมายถึงการเรียนหนังสือวาดแผนการอนาคตการแต่งงานการเลี้ยงลูกนะไอ้นี้เราต้องทำอยู่แล้วครับใครไม่ทำก็แย่เรื่องทีครับแม้แต่จะไม่แต่งงานก็ต้องวางแผนที่จะไม่แต่งงานแต่เมื่อถึงจุด ของการเจริญวิปัสสนาครับไอ้ น, นี่ไม่ใช่กิจกรรมที่ต้องวางแผนการเจริญปัสสนาแปลว่าการสารวจล้วนๆทุนๆครับล้วนๆทุนๆหมายนว่าไม่มีการวาดหวังมาอะไรทั้งนั้นพูดภาษาชาว บ, บ้านมาว่าเมื่อเราดูตัวเองนะครับดูเข้าไปในจิตในใจเนี่ไม่มีใครร่วมทากิจกรรมนี้กับเราได้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 ถ้ารู้ด้เห็นก็เดาเอ า, เอาทั้งนั้นครับแล้วถ้าผมไม่ดูซิคนหนึ่งเป็นอันในโลกนี้ไม่มีใครเห็นนี่เลยไม่มีการสัมผัสทางภูมิบัญญาเลยครับค้คันอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ว่าทุกๆขณะเรามักจะละเลยต่อการสำรวจที่วัดท่องสำรวจผมอาจจะตั้งหัวข้อไม่ตรงนักันนะครับแต่มีความหมายอย่างนี้ครับคือสมมติเรานั่งในรถไฟ กำลังกินข้าวแล้วดูทิวทัศน์นอกหน้าต่างเราเป็นผู้สํารวจผู้สํารวจนั้นดูเหมือนเป็นสิ่งเสถียรนิ่งแต่แท้จริงมันเคลื่อนอยู่ด้วยนะรถไฟหนึ่งเคลื่อนอด้วยความเร็วสูงจีเดียดูเหมือนจะตรงข้ามไอ้ภูเขาหรือเสาไฟฟ้าที่เห็นว่าวิ่งไล่ตามเราที่จริงไม่ได้วิ่งแต่ผู้สํารวจนะฮะกําลังหนีอะไรบางอยา่างแล้วนั้นการท่องสํารวจชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับเริ่มต้นด้วยความรู้ตัว ความรู้ตัวนี้ในเบื้องแรกมันจะทําภารกิจในการเหมือนกับเขื่อนที่กักน้ําครับเพราะพลังชีวิตของเราหลายครูความคิดตรงแต่งเรามากมายครับมากจนน่าตกใจถ้ามีสักวันหนึ่งที่เราเริ่มเอาจริงจัิงนเรื่องภาวนานะครับดูจิตดูใจเนี่ยเราจะตกใจตัวเองครับว่าเราเหมือนคนบ้าหลายคนที่ผมรู้จักและสัมพันธ์ทางธรรมนะพอรู้จักเห็นความคิดแล้วก็รู้ตัวตัวเองหายบ้าแนละ้ว แต่งก่อนนะนะในบ้าไม่รู้ตัวครับทั้งหลับทั้งตืน่นเวลาหลับก็ฝันฝันเป็นเรื่องเวลาวเป็นขบวนอยู่ทีเดียวครับทุกๆขณะของการดำรงอยู่ไม่ว่าที่ป้ายรถเมล์ในรถเมล์ในเรื อ, ใ น, รอในเครื่องบินมนุษย์ถูกกระทําให้คิดตลอดเวลาบางทีทิศทางของชีวิตหันมาคิดเรื่องพระพุทธเจ้าแต่ที่จริงก็คือคิดหันมาคุ้นคิดเพ้อภาวนาอยู่ในข้างใน คิดถึงพู้เจ้าแล้วสมอ้างตัวเองเป็นพู้เจ้าสักองค์หนึ่งทำท่าทำทางเหมือนผู้เจ้าเลยไปกันใหญ่เลยครับก็เป็นเรื่องเข้าในกระแสความคิดตลอดเวลาโอกาสน้อยมากที่มนุษย์เป็นอิสระจากความคิดทั้งๆเครื่องมือหรือธรรมชาตินั้นมีอยู่นะดังที่ผมยกตัวอย่างแล้วเราเราหลับไม่มีความฝันนะครับเราเป็นอิสระโดยสิ้นเชิงแต่นั้นไม่ใช่ฝีมือของสี่ปัญญาครับเป็นเพียงกลไกในธรรมชาติของมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามมันก็ยืนยันว่าจุดนี้ปรากฏอยู่และจุดนั้นสภาวะนั้นเองที่แผ่ขยายมาทำให้ชีวิตของเราค่อนข้างป ก, ก, กติถ้าเรานอนไม่หลับสามคืนเจ็คืนเนึ่งผมคิดว่เราตายเราต้องจบทันทีเลยครับกระแสความคิดมันจะจะทำร้ายเราจนจนไม่มีอะไรเหลือความเป็นมนุษย์เราถดถอยลงทุกวันทุกวันเดช็ชาปุ่อะไรอย่างนั้นก็ไม่เลยนะฮะที่ธรรมชาติกรุณาเสมอครับท้ที่จริงนั้นเมื่อเรา ปรุงแต่งโลกในความคิดภาวะของความเป็นคนนี่ถดถอยแล้วครับถ้าถดถอยหมายความว่าเราลดตัวลงมาเป็นอาจจะเป็นสัตว์ตกตผ่าได้ความดํามืดของสัญชาตญาณโกรธลา่าฆ่าตกตีแล้วเป็นบ่อยแล้วถ้าภาวะของความเป็นมนุษย์นั้นก้าวไปสู่เชิงบวกเราก็เป็นเทพครับแต่เราได้สูญเสียความเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญซึ่งเป็นทางออก ที่แท้จริงในพุทธศาสนานะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นเทพยญานานะครับไม่เหมือนลัทธิหรือนิกายอื่นศาสนาอื่นเราเห็นได้จากสมัญญานารมหรือการน o m เ n a ชื่อของนักบุญเหล่านั้นนักบุญเหล่านั้นโดยเฉพาะของฮินดูนั้นเขาจะเรียกชื่อเป็นเทพทั้งนั้นครับเช่นกฤตนะเทพเราเรียกข้อเสียงเป็นเดพมหากรุเทพคือเป็นเทวดาหรือเป็นเซียนนั่นเองครับทางจีนเรียกเซียน ของเราเมื่อเรียกพระอริยบุคคลเ ร, เราใช้คำว่าอริยะบุคคลเรายังเป็นคนอยู่ครับเราไม่ได้หนีความเป็นคนแต่เป็นบุคคลซึ่งเป็นอริยะนั้นถ้าเรามองหาเซียนหรือหาเทวดาเราก็เจอผู้วิเศษกันทุกวันนะครับแล้วมีการอ้างตัวเป็นเทพเจานีท่ทั่วทุกมุมโลกครับแล้วเทวดานั้นท้ายสุดก็ถูกจําคุกบ้างบ้าบ้างฆ่าตัวตายบ้าง20ปีที่แล้วผมพูดเลยสั้นนิดนะเพื่อให้สื่อกระแสความ สามคุณจิมโจนนะครับโดยการหนุนนางแนนซี่เลกันภาพรีหมายเลขหนึ่งของเวกาให้ทุนไปสร้างอาสมโจนทาที่แอฟริกาแล้วก็เป็นผู้ที่มีพลังมากครับเป็นนักพูดชั้นเลิศแต่ภายหลังเมื่อตายแล้วครับเป็นที่รู้กันว่าเป็นคนเจ็บป่วยทางอารมณ์ชักชวนสาวกดื่มยาพิษเพื่อไปสวยสุขในสูงสวรรค์ร้ยศพ ตัวเองด้วยและวเมื่อที่เปิดเผยันภายหลังว่าทุกครั้งที่เทศนาซึ่งเต็มไปด้วยพลังปลุกเร้าศรัตน์นั้นคือการมั่วกามกับทั้งผู้หญิงและผู้ชายหลังเวทีนั่นเองในห้องทา ง, งานส่วนตัวผมเล่าด้วยความสลดนะ ไ, ไม่ได้ซ้ำเติมอะไรกันครับเพราะว่าสิ่งนี้เรากำลังเล่นเอาเถิดกับาศา ส, สนาศาสนาสิ่งบริสุทธิ์ศาสนาไม่ริงจริงต้องอาศัยคนจริงแล้วก็ ฝึปื้มเพื่อเข้าถึงาธาตุฐานของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงครับเราไม่ต้องการจะเป็นเทวดามีคนนับถือเป็นล้านๆ น, นั่นไม่ใช่สาระของพระศาสนาะพระพุทธองค์เองท่านปฏิเสธการเกาะกลุ่มนะะบางทีเมื่อประชุมนัดประชุมที่เมืองหนึ่งเนี่ยท่านในทุกคนแยกย้ายท่านต้องการเสยวิเวกแล้วท่านก็บำเพ็ญประโยชน์ไปพักบ้านช่างหม้อบ้างท่านไม่ต้องการพักพวกไม่ต้องการให้สาวกมาเที่วเป็น ผู้คุ้มครองอะไรเนี่ยหลายหนที่ภาษาวกรยายามปกป้องท่านท่านไปเสดท่านไม่หวังที่ให้ใคคุ้มครองเลยอนะ่อันนี้ข้อที่จริงที่ว่าเราต้องเข้าใจศาสนาความบริสุทธิ์ของศาสนาอุดมคติของศาสนานะครับแล้เราต้องเข้าใจพระศาสดาที่แท้จริงไม่ใช่คนเป็นโลกจิตนะรพระศาสดานี้ถูกถูกมองผิดพลาดมาก็มีนักเขียนรุ่นหลังซึ่งนักเขียนเหนั้นเป็นโลกจิตเสีเองก็มี เขาวิจารวิเจ้าออกบวชนี่เพราะว่าทะเลาะกับแย่งราชบัลลังก์กันาะอ่านหลายเล่มรู้สึกคนเล่นี้ยังรู้จักศาสนาและศาษาดาน้อยมากๆและคนที่เป็นสาวกของภาษาดาอีกก็ต้องรู้จักทั้งตัวเองและภาษาดากล่าวได้ว่านะครับถ้ารู้จักวิเจ้าจะรู้จักตัวเองถ้ารู้จักตัวเองจะรู้จักวิเจ้าการปฏิเสธตัวเองแล้วจะบอกรู้จักวิเจ้านี่เป็นเรื่องของคนเสื่อรลตครับอย่างกรณีพระวักกะลิเห็นไครับ ชอบใจในรูปโฉมของพระเจ้าในน้ำเสียงของพระองค์มาติดตามฟังเรื่อยในสุดทนไม่ไหวก็บวดแต่บวดก็เคยหาโอกาสได้ใกล้ชิดจนพระเจ้าต้องเปล่งทนอนคำว่าอัปเปหิเนี่ยก็เราได้ยินนะคำนี้แปลว่าอะไรนะว่อัปเปหิวัคคะลิเนี่ยแล้วไปเที่ยวนอนตะไลครับทำว่าเป็นสจริงแล้วผู้รู้คือคนจริงแต่แล้วในทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปครับก็สมกับที่เขาให้พระวิจารณ์กันนะครับว่า ผู้คนรุ่นนี้นะครับเข้าหาสาสนาธรรมเหมือนยาเสพติดงมงแงงจริงผงเห็นผมเชื่อหลายคนก็เห็นด้วยไอยากพูดหรือคิดว่าโทษมันน้อยแต่สำหรับผมมันเะป็นโทษมากครับเพราะว่าเมื่อจิตติดยึดอะไรเสร็จแล้วยากที่รู้จักธรรมชาติแท้ของตัวเองยากที่สติจะคืนคงนะเมื่อเราไปเห็นครูบาอาจารย์ที่ผิดเพี้ยนแล้วเราเริ่อมใสนะสติเราจะเพี้ยนตามครับ ข้อเท็จจริงอันหนึ่งก็คือมีรายงานที่น่าเชื่อถือนะครับว่าจิตภาพส่วนใหญ่เป็นโรคจิตนี่ก็ข้อเท็จจริงอันหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตภาพคือคนธรรมดาสามัญบุตรชนธรรมดาแต่คนป่วยนั้นไม่ธรรมดาครับคือเขาเพี้ยนเขามีพลังเหมือนกับเราเห็นเด็กหรือเห็นคนบ้าเราต้องหลบต้องหลีกเพราะเขาเขาไม่หลบไม่หลีกเขาไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วดังนั้นเมื่อคนบุตรชนธรรมดาไปเยียวยา มันติดต่อกันโดยไม่ต้องมีเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสผมอุปมาเหมือนวงดตรีสองวงวงหนึ่งเล่นแข็งมากจังหวะนั้นในวงหนึ่งเพิ่งเล่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมัคล้ายตามทันพีครับจิตแพทย์ที่ยังไม่ได้ฝึกจิตยังไม่มีสติยังไม่มีความรู้สึกตัวพอนั้นโอกาสผิดเพี้ยน ง, ง่ายนี่เดียครับเมื่อเราอยู่ใกล้คนไม่สบายเราไปรอเดี๋ยวเราเป็นครับคนโบราณเขาห้ามนะเขาห้ามร้อคนบ้าห้ามร้อคนบ้ า, ห, า, บาห้ามว่าคนเมานะเพราะตัวเองจะเป็นด้วย นี่ข้อที่จริงนึ ง, นงตอบเลยคาถามไมเยอะแล้วครับครับอาจารย์หน่อยเออเมื่อี่อาจารย์พูดถึงเรื่องใจโตัวเองมันคิดขึ้นมาลคือคือปพูดอันหนึ่งที่อาจารยพูดแต่ว่าไม่ได้อธิบายครับถูกแ้ครับนีก็เออการที่มีใจโตัวเองออ คงไม่ จ, จิตเดิมแท้ของอาจารย์เป็งพวครับการพูดถึงเรื่องใจโกหกตัวเองแต่ก็ยังไม่ได้อธิบายถึงว่าผู้ที่มีใจโกหกตัวเองมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ควรที่จะแก้ไขได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับวันนี้เ พ, เพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันในเหตุของปัจจุบันเขาโกงเง น, น, นี่เขาจับได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งครับ ตัวเองนี่หมายความว่าจิตมันสร้างเรื่องอยู่นะครับทีจริงนั้นโอปามาในนิกายเซนแต่เป็นปที่ถูกใจอาจารย์เงกอวมากที่เขาโอปมาเหมือนลิงขว้คว้าเงาพระจันร์ในน้ําเพราะนั่นจะยิงภาพสะท้อนครับเหมือนที่ผมพูดบ่อยว่าแต่ถ้าคนจะรู้สึกว่าเราเป็นใครคนหนึ่งจากสวัวดร้องตามสังคมแล้วก็ดังนั้นเองใครคนหนึ่งที่เข้ามาควบคุมตัวเราเนะ่ยเป็นตัวที่โกหกคือตัวไม่ได้มีอยู่จริงครับ หรืออุปมาที่พระเจ้าหรือในพระสูตร ฝ, ฝ่ายเทรวาณนิยมที่จะยกขึ้นมาสอนทายกทายิกาก็คือภาพลวงตาในทะเลทรายเราเห็นประตูเป็นตานะว่ามีน้ำนองหรือมีต้นไม้อยูนะ่เราไม่ว่าเราสำรวจอย่างไรมันเป็นภาพปรากฏจริงคือปรากฏได้จริงๆแล้วหลายคนรับรู้ได้ด้วยเหมือนในหน้าร้อนจัดนนะฮะ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 แต่ไปห้ามหรือไปหยุดการปรากฏเชนั้นไม่ได้ครับท่านว่าขันห้าเปรียบประดุจกับภาพลวงตาเช่นนั้นที่เราเห็นเป็นขันห้าก็ดีเป็นตัวเป็นตนก็ดีเพราะเรายังไม่เข้าไปสู่ใจกลางของมันใจกลางในที่นี้ไม่ได้หมายใจกลางแบบวงเวียนปักปลายข้างหนึ่งแล้วตีวงรอบนะไม่ใช่ศูนย์กลางนะใจกลางเหมือนภาษาจีนเล็กสินใช่ไหมครับถามว่าน้ํามีอะไรเป็นใจกลาง แต่ถ้าเราต่อมีจุดอยู่ตรงกลางไม่มีรัศตีรัศมีเราไอ้ น, นี่ไม่ใช่จุดตรงกลางของน้ำจุดตรงกลางของภาชนะคือแล้วครับใจกลางของน้ําคือความเป็นน้ําซึ่งทุกๆกอนูนั่นเองคือใจกลางนั้นคําว่าใจนี่แปลว่าแกนนู้นนั่นเองครับแต่ว่าถ้าไปดูที่ชั้นปรากฏการเป็นมายาครับเหมือนที่ยกตัวอย่างแล้วนะไม่ว่าปรากฏการที่เรามีหลาด ทางวิทยาศาสตร์ที่เราอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติเรือลูมิงนะลูมิงเกิดกับโลกเหนืเนื่องจากบรรยากาศเป็นชั้นเกิดเอทเทอร์เรฟเลกชันขึ้นมาเกิดการสะท้อนกลับหมดเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติครับเช่นเดียวกับที่เรารู้สึกว่าตัวเราคือนายกรนายขอนาย ง, งอและปรากฏการณ์นี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดผมยืนต่อนหน้าแม่มม เ, เนเี่ยผมผมคิด่ตัวเองเป็นลูกแล้มีเรื่องต้องตอบโต้หลายเรื่องทีเดียวแล้วมีอารมณ์ด้วยบางวันเนี่ยพูดขัดเป็นข้าวลูกก็โมโหขึ้นมาแล้ว หมือแม่กัผู้โ HOR ขึ้นมาพอมายืนต่อหน้าลูกนี่ความสุขมันเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นพ่อยืนต่หน้าเพื่อนเอาเป็นเพื่อนหลวงเพื่อนตกลงไม่รู้ตัวไหนตัวเรามันหลอกลวงอย่างนี้ครับที่ผมว่าจิตใจผมเมือนตกคำว่าจิตไปตัวหนึจิตมันเป็นละลอกคลื่นมันหมเหมือนมันเกิดเหมือนเหมือนน้ำเนยครับแล้วมีลมมาพทะเกิดเป็นคลื่นได้ตั้งคํำถามเชิงปรรกาว่าคลื่นมีจริงหรือเปล่าตอบยากครับ ถ้าผมขอความกรุณาจำเป็นว่าอาจารย์ถ้าคิดว่าคลื่นจริงช่วยตัดไม้ผมตะก้อนหน่อยเขตั้งตรงนี้ทำไม่ได้ครับพราะมเป็นป่ากการสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับลมลมมันอยู่ในช่วนขนาดนั้นตัวตนนันไม่มีครับแล้วปรากฏการณ์นั้นอยู่ที่ชั้นผิวแต่น้ำไม่ใช่คลื่นแต่คลื่นแยกจากน้ำไม่ได้มนันซับซ้อนในขนาดจะเป็ น, เ ป, นเป็นปัญหาทางด้านวิสวิทยาเท่านั้นนะครับ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 ยิ่งเรียนมากเข้านะี่นยิคิดยิ่งคิดก็ยิ่งการของหลอกขึ้นทุกทีนั้นวิธีแก้ก็คือมันคงไม่พ้นเรื่องการเยียวยาด้วยสติอีกแล้วครับเมื่อเข้าไปสู่อสภาพจริงแท้งมันนะครับผมจะพูดยังไงดีครับถ้าผมเอมือแตะพื้นผมรับรู้เฉพาะตัวของผมมันเย็นเย็นผรู้ว่ามันเย็นเย็นแต่ถ้าใครถามให้ผมอธิาบายเพราะผมอ้าปากอธิบายผ ม, มลืมไปนี่แหละครับ มันรลุดออมาอีกตัวเลยเป็นความคิดไปแล้วครับภสภาวะของตัวผมได้หลุดออกจากแก่นนบ้ น, นีนะ้แก่นการสัมผัสอย่างรู้จริงๆโดยไม่มีไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยจิตใจของทุกคนนะครับพูดไปแล้วคือแกนแท้ของเราและแกนแท้เรานี้ร่วมรากกับจั ก, กรวาลทั้งหมดแลดังนั้นในวันที่อุบาสกน้อยไหวหลางต่อมาเป็นสังฆนายกนะครับ ร้องอุทานขึ้นมาใ น, นคืนสุดท้ายที่ท่านจะรู้แจ้งว่าแท้ที่จริงทุกสิ่งอย่างที่จิตเดิมแท้นะซึ่งเมื่อถ้อยคํำนึงประหลาดแล้วเป็นรหัสที่สําคัญมากทีเดียรครับจิตเดิมแท้ไม่ใช่ดวงจิตไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจิตทิ่งทิ่งเรามักจะคิดเป็นลูปดวงดวงเนะี่ยเรามไม่รู้จะนับจํานวนอย่างไรในสุดอาจารย์เถราวาสโดยเฉพาะอาจารย์นิเป็นไทยก็ใช้นิรุตติคําว่าดวง เพราะไม่รู้มันช่างเป็นก้อนกันไม่ได้เป็นลิ่มเป็นซี่เป็นอันไม่ได้เป็นผลไม่ได้มันทำไม่ได้เลยแต่ว่าข้อที่จริงคือมีแต่อาการครับอาการที่จิตตารกขึ้นมาการเห็นธรรมะคือการเห็นอาการครับไม่ใช่เห็นมโนกติไม่ใช่เห็นโอความูุเกิดแล้วไอ้นี้เป็นนามธรรมครับเป็นเป็นความคิดครับเป็นภาษาอังกฤษเป็น abstract เห็นอย่างนั้นหลงแล้วครับ แต่เห็นโดยอาการนั้นนนัเองเมื่อพระเจ้าตรัสหลักที่สําคัญในเรื่องที่เรารู้จักว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัพปฎิยตาเนี่ยผมคิดว่าชื่อที่เหมาะมากต่อภาคภาวนาคือปัจจายาการเห็นอาการการปรุงแต่งอันนี้ทำใหเกิดนี้อันนี้ทำใเกิด น, น, นี้นครั้งอดีตผมเคยเข้าจิติดิโดยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับผมคิดว่าการอภิปรชนาคือการขบคิดให้แตกหักว่าอวิชชาทําให้เกิดสังขารนีร่ไง ผมเดินดึงผมเดินคิดตะกุนอะไอย่าเยปวดหัวห น, นุ่นนอะไรนึกว่านี่ยไปเล่นกับสิ่งสมมุติครับสิ่งนี้ไม่มีชื่อตรงนั้นแต่มีใ่อาการเราจับได้แค่อาการครับเช่นอาการเต้นขอหัวใจนี่เป็นรูปธรรมแล้วจิตพอมันแปรรูปมันคิดขึ้นมาวูบวาบขึ้นมาเราจะไม่ทันเลยครับเพราะอะไรที่ไม่ทันเพราะเราอยู่ในความคิดตัเองนย่างเงี้ยเหมือนเรานั่งในตู้รถไฟที่กำลังวิ่งด้วยความเร็วเราไม่รู้ว่ามันเคลื่อนไปทั้งไปนะ เราถูกกระทําให้คิดอยู่ตลอดเวลานี่คือข้อเท็จจริงเรือว่าเป็นวิบากของมนุษย์เราจนกว่าไอ้สติจะเข้มข่มขึ้นมานะแล้วจิตอิลลูเมตขึ้นมาทรงสว่างขึ้นมามีกําลังพอที่ชํำระออกจากความคิดครับมันชำระออกจากความคิดแนตะ่เรื่องทั้งหมดความสงสัยทั้งหมดจะพังทลายลงตรงนั้นอันนี้จะบอกเป็นคำยืนยันก็ได้นะคาข้อเสนอแนะก็ได้นะครับปมปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ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 คือจับไอ้ความโกหกของใจใีอไอ่านั้นส<ด>าคัญมากครับจะอะไรเอาอะไรมจาจับสาคัญมากครับิขเราโหกแล้วเราเอาอะไรมจาจับไอ้ไอ้ตโกหกตอคนน่คครับคำตองมตอผมอีกทีหนึงครับซ้าเดิมก็คือเมื่อเข้าถึงกันใจแล้วนะจะรู้ว่ามันโกหกรู้ว่ามันไม่มีเหมือนพอเราน้ำกันของน้าคือธาตุน้ำครับแล้วธาตุน้านี่ตรงไหนกัน้ำทั้งนั้นน่ เหมนกันการปฏิบัติแบบรวมศูนย์เนื้เพ่งจิตไปที่มีเอกกั ก, ะกะตาลงนี่ผมถือว่าเป็นเป็นเพียงภาคของการแสวงหาการพักใจเท่านั้นไม่ใช่วิปัสนาครับมีอะไรไหมครับของของมหาานี่เาของของเนนี่เาบอกว่ากที่มันโกหกนี่มันเป็นจิตที่มันเกิดจากมันก็จริงเหมือนกัน เราเดี๋ยต้องอาศัยจิตที่ไม่เกิดดับมาจากไอ้ตัวที่ไม่เกิดดับอาจารย์เวันไม่ว่าอะไรครับเห็นด้วยแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยตรงที่นี้ครับตรงที่แบ่งเป็นจิตเกิดดับจิตไม่เกิดดับเมื่อแบ่งเป็นสองเกิดทวิลักษณะทำให้ดวงจิตลักลัน่นเอ๊ะนี่ใช่หรือไม่มันสงสัยอยู่ตลอดเวลาจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนที่เฉลยเรื่องนี้ได้ดีที่สุดมีสองท่านครับอาจารย์ไหวหลางรักโชกับอาจารย์นาคารชุน นาการชุนเกิดก่อนดังนั้นได้เสนอมติที่โดดเด่นที่สุดในพุทธศาสนาจนเป็นเหตุให้ปาดพื้นหลังเรียกท่านว่ารพระพุทธเจ้าองค์ที่สองทั้งคู่เนี่ยทั้งไวหลังนางนาการชุนจะให้นากนาุนขอให้สางเรื่องความคิดแบ่งแยกกันฝักฝ่ายเป็นดีเป็นชั่วเป็นบรรลุไม่บรรลุเป็นการของจริงของเท็จอะไรอย่างนี้เนืไปสู่ความหมายคาว่าสวัสดิเวทนาความรู้สึกสดๆที่แพร่กระจายอยู่ทั่วล่างไนงะ น, นีีสาคัญมากเลยแล้วบอกจับตัวนี้ได้แล้วมันไปออกสุนตาครับซึ่งไม่ใช่ฝักฝายไม่ใช่จิตสองดวงหรือไม่ใช่จิตสองลักษณะสุนทจารย์ไวหลางลักโจนั้นได้พูดประโยคซึ่งผมถือเป็นนามตรครับเขาบอกว่าในการปฏิบัติในสมณพของท่านนั้นถือว่าการไม่เป็นไปในคลองของวิตกเป็นหลักคือไม่เข้าไปในความคิดนั่เองครับอันนี้สิ่งสำคัญมากครับ ผมทราบดีนะครับว่าจะมีคำถามมีมากมายจากข้อแนะนํามันโดดเด่นนี้นะว่าเราจะอยู่อย่างไรเราไม่เข้าในนี้เราทำงานได้อย่างไรเราจะเลี้ยงลูกอย่างไรมากมายผมเข้าใจดีครับแต่ถ้าให้ตอบสั้นๆที่สุดก็ตรงนี้ครับถ้าไม่ใช่ตรงนี้พศาสนาเป็นลูกของปรัชญาหรับกบคิดอาหารประจำวันไว้ถกเถียงกันตามสาราวัดบางคนรู้มากแล้วก็ยากนานครับบางทีอธิบายทาําไมหลุดเป็นนิพพานนั่นแต่กลับบ้านตกคนใช้กลิ้งนี่แหละ มันโยงกันเลยครับมันมันไม่สามารถเข้ามีผลจริงๆเลยครับจนกว่าจับความรู้สึกสดๆให้ต่อนเนื่องครับรนนผม ย, ยืนยันโดยโดยที่จะเอาอะไรก็คําประกันดีครับรคือเอาความรู้สึกสดๆมเป็นตัวประกันว่าถ้ารู้สึกตัวได้สดๆสดๆหมายว่มไม่เข้าในความคิดเนืนถ้าไม่สดแปลว่าแห้งครับเหมือนปลาแห้งเนยมันไม่มีชีวิตอยู่ในนั้น